บุญใหญ่มักมีอุปสรรคขวางอุปสรรคใหญ่มักเป็นอารมณ์บุญใหญ่เกิดจากการรมที่ต้องอาศัยกำลังใจมากในการทำให้สำเร็จยิ่งต้องใช้เวลาใช้กำลังใจในการทำอะไรดีๆให้สำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่กำลังและความใหญ่แห่งบุญยิ่งขยายออกไปมากขึ้นเท่านั้นบุญใหญ่มักเป็นบุญที่ทำได้ยาก บุญที่ทำได้ยากคือบุญที่มีอุปสรรคและอุปสรรคขวางบุญที่หนักหนากว่าอะไรก็คืออุปสรรคทางอารมณ์เราจะเข้าใจคำว่าบุญขึ้นมาจริงๆก็เมื่อเห็นจิตตัวเองสบายหายทุกข์หายร้อนได้บุญใหญ่ของแท้คือเส้นทางกรรมที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขมีความเย็นมีความสว่างออกมาจากจิต รู้สึกว่ามีความสุขติดตัวแม้ต้องทุกข์บ้างขุนใจบ้างประสาคนในโลกก็พร้อมจะกลับเป็นสุขได้ตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้ทำบุญทุกวันไม่ใช่เงินแต่เป็นใจหากมีเงินแต่ไม่มีใจแม้กองบุญใหญ่อยู่ตรงหน้าก็ไม่คิดทำอยู่ดีคนที่ทำบุญใหญ่จริงๆ ไม่ใช่คนที่นานๆทําบุญทีแบบเป็นล้านแต่เป็นคนที่สะสมบุญเล็กๆวันละนิดวันละหน่นอยจนกระทั่งเกิดความเคยชินที่จะคิดอะไรในทางที่เป็นกุศลที่จะพูดอะไรที่จะทําให้คนอื่นรื่นหูสบายใจในวันสําคัญทางศาสนาถ้าเอาตัวไปอยู่ในวัดไปเดินเวียนเทียนร่วมกันตามธรรมเนียมก็นับว่าดีหนึ่งปีมีเข้าวัดสูตรกลิ่นทูป เอาความหอมของธูบมาสกิดตอมกุศลบ้างแต่การจะวัดว่าเข้าเขตบุญเต็มตัวเต็มหัวใจท่านไม่ได้ให้นับกันที่เท้าเข้าเ ข, าเขตวัดแต่นับกันที่ใจเ ข, เข้าเขตกุศลซึ่งข้อสังเกตหนึ่งที่ง่ายและวัดเองได้ที่บ้านคือปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อเรื่องแย่ๆไร้ร้ายหากมีต้นทุนความเย็นอยู่ เมื่อโกรธแล้วดับความร้อนได้ย่อมรู้สึกถึงบุญใหญ่รุงแต่งใจให้โล่งเบาสบายนานหากมีต้นทุนความสว่างอยู่เมื่อเกลียดแล้วสลายความมืดได้ย่อมรู้สึกถึงบุญใหญ่รุงแต่งใจให้พองายไร้มนทินเมื่อมีต้นทุนทางความเย็นและความสว่างคุณจะรู้สึกเหมือนพร้อมจะทำบุญใหญ่อยู่เสมอไม่เว้นตะละวัน และผลของบุญใหญ่ที่เห็นได้ในชาตินี้คือความมีกำลังใจอย่างใหญ่มั่นใจว่าสามารถทำอะไรยากๆให้สำเร็จได้ง่ายๆคล้ายนักไต่เขาที่พิชิตยอดเขาสูงสุดมาแล้วย่อมไม่กลัวที่สูงใดๆในโลกนี้อีก